ความสะดวกสบายทำให้เราเห็นแก่ตัวความชอบอยู่อย่างสบายทำให้เราเห็นแก่ตัวโดยเฉพาะพวกเราอยู่ในหน้าที่ยิ่งทำตัวสบายเมื่อไหร่ทีไรเมื่อไหร่แล้วก็มันจะเริ่มทิ้งงานละหน้าที่รับผิดชอบส่วนรว ม, มเริ่มทิ้งละ ทิ้น้นที้ง น, น, งนี้ทิ้งไหนในสุดไม่เอาอะไรนะเพราะความเห็นแก่ตัวมันเริ่มแข็งตัวขึ้นแข็งตัวขึ้นแข็งตัวขึ้นอันนี้ให้เราพิจารณาด้วยกันทุกคนนั่นแหละบางครั้งแม้แต่ความเคารพความยำเกรงมันก็ไม่มีขาดทั้งความเคารพขาดทั้งความยำเกรงเพราะความเห็นแก่ตัว พิจารณาให้ดีหนักๆเข้าเหตุที่จะทำเพิ่มคุณงามความดีมันก็จะเริ่มทิ้งมันชอบอยู่อย่างสบายหายใจทิ้งฟอดฟอดไม่ได้ประโยชน์อะไรคนที่ตั้งใจตั้งอกตั้งใจทำนั่นทำนี้ทำทุกระยะทุกวันทุกเวลาทุกนาที ล้ำเวลาหมดไปกับหน้าที่กับการกับงานดูแลรับผิดชอบไม่ขาดตกบกพร่องนั่นคือคนได้ประโยชน์ได้ตัวเองนะมันไม่ใช่ได้ใครได้ประโยชน์ตัวเองมันไม่ใช่ได้ใครเรื่องเหล่านี้เราไม่ทำํำเราก็บกพร่องในเมื่อหนึ่งก็บกพร่องสองก็บกพร่องสมก็บกพร่องส่วนใหญ่ก็เลยบกพร่องไปหมด ในครัวเราเราก็ทำให้อย่างดีขยายอย่างใหญ่โตเนี่ยาไมาช่วยดูแลกันก็จะเป็นลักษณะ น, นี้แหละในงครัวเราเนี่ยไปทำให้อย่างดีดูจับกระเบื้องอย่างดีเราเห็นว่ามันเป็นของเก่ามาแล้วเราก็เลยทำให้มันดีย้อมแมวว่างั้นเถอยย้อมแมวปรับปรุงของใหม่ใหข้ของเก่าให้มันดีขึ้น ถ้าหากต่างคนต่างเห็นแก่ตัวแล้วก็อยู่อย่างสบายแล้วก็จะทิ้งหละแล้วก็ไม่มีใครที่จะบอกใครได้ใช่ด้วยมีเรื่องนี้สาคัญต่อไปต้องให้มีมีใครช่วยดูแลกันมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้า ม, ม, ม, มีดูแลรองๆองลงไปบางทีเห็นคนใหม่เข้าไปก็จับยัดเยียดให้เขา นี่เราก็ต้องระวังอี่มกันทุกคนเห็นประโยชน์ก็ทำเอาแต่คนต้องทำเอาให้มีตั้งตัวเองเป็นที่ตั้งรับผิดชอบดูแลที่ร่างถ้วยที่ร้างจานที่กินข้าวโจกน้ำแก้วน้ำโต๊ะวางรับประทานเข้าไปนั่งรับประทานตรงไหนตามต๊ะคงตะแค่อะไรต่ออะไร มันต้องเดินดูให้เรียบร้อยบางทีก็ไม่ออกกดทิ้งให้ในวัดบางทีกันในวัดก็ทิ้งให้ไม่ออกไม่รู้ใครจะรับผิดชอบอะไรท่านนี้เป็นไม่ออกมาเยอะยะข้างในวัดที่ดูแลประจำดูแลเกาะติดนี่ก็ปล่อยทิ้งให้ไม่ออกทำมันต้องดูแลช่วยดูแลกัน ต่อไปที่สิ่งของก็จะเริ่มทยอยเข้ามาตู้ใหญ่นะก็มีอะไรเอาไปเก็บก็เอาไปเก็บได้เต็นทงนั้นก็ไปรื้อออกได้แล้วแหละเกียร์ไปรื้อออกได้เตน็นท์อยู่ตรงคร่อมทางยังกลมไปรื้อออกมันหมดความจำเป็นแล้วไม่ใช่เหรอยังเหลือหลองน้ํา ฟังตะวันออกนี่ก็คิดว่าใช้ได้เลือบหมดแล้วแหละแต่ยังยังยังยับขึ้นมาเพราะว่ากระเบื้องมันยังไม่เสร็จเรียบร้อยเพียงแต่ทำาสะอาดแล้วก็อันไหนควรย้ายมาก็ย้ายต้องดูดูแลรับผิดชอบช่วยกันร่วมกันความเป็นระเบียบ ถ้าคนหนึ่งก็ทิ้งคนสองก็ทิ้งคนสาก็ทิ้งและใครไม่มีใครจะทำหนักๆข้าวพระต้องไปถูให้มันก็แย่เต็มทีแล้วเราว่านะเราต้องไปถูให้เนี่ยเสียสละเวลาทําไปด้วยแล้วก็เจริญสติไปด้วยมันไม่เสียประโยชน์นะ เกินสติทงความรู้สึกกับการทบงานที่เราทำนยมันได้ประโยชน์มันไม่เสียกรรมาฐานที่ไหนมันไม่เสียในเมื่อเรายังเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อยูย่เราต้องช่วยดูแลกันไม่ใช่เราชายชายแล้วก็ทิ้งไปชายชาแล้วก็ทิ้งไปต้องคำนึงด้วยก า, ารดูแลมันเป็นที่ส่วนรวมต้องคนต้องช่วยดูแลกัน ของสงต้องช่วยดูอลไกันเก็บเมียนให้ดีหายไม่ได้นะเป็นโทษนะนี่เราห่วงที่สุดเราห่วงของสงห่วงติดไม้กิดมือไปนี่เป็นมันเป็นโทษที่บอกนมันไม่ใช่ห่วงของมันห่วงคนมันเป็นโทษเราเคยบอกหลายครั้งใครเมียอะไรกิดไม้กิดมือไปเอาไปเอากลับคืนมาให้หมดแม้แต่พวกช่างเราก็เคยบอก ใครมีอะไรติดไม้ติดมือไปเอากลับคืนไมห้หมดมันเป็นโทษโทษเหล่านี้เรามองไม่เห็นดอกไม่มีหูไม่มีตาไม่มีปัญญาดูไม่ออกมันกลายเป็นกรรมแล้วมันทับถมชีวิตจิตใจของเรามันทับถมมันกดมันถ่วงสถานที่ทําบุญถ้าตรงกันข้ามมันเป็นที่ทําบาปมันกดถ่วงเรา เราต้องมาใช้สอยต้องมาระมัดระวังให้ดีอันนี้เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อความเจริญเพื่อความผาสุก ข, ของพวกเราถ้าไม่ถือตามนั้นนะเป็นโทษนะเป็นโทษหนักมากโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับของสงอย่าไปมัดง่ายแท้ๆหละเกี่ยวกับของสงเนี่ยแม้แต่หมากไม้ผลไม้อะไรกันวไหนอย่าลืมว่าอะไรปักรองดินปั๊บเป็นของสงอย่าลืมนะ ไม่สำคัญว่าใครปลูกใครปลูกปักลองดินสงป้ามันเป็นของสงนะเป็นของสงทันทีเราปลูกเราปลูกเราปลูกหยุดอยู่นั่นแหละแต่ถ้าใครทำถูกมีผลเมีอในสงแรงถ้าใครทำไม่ถูกจะเป็นโทษไปหยิบไปฉกไป่วยของอยู่ของกินของอะไรต่ออะไรไม่ถูก เรื่องถูกลาเนี่ยเป็นโทษหนักเป็นโทษหนักนี่พูดเราหวงมากเรื่องเหล่านี้นะแต่เราไม่มีนิสัยไปจู้จี้เราไม่มีนิสัยโดยเฉพาะของใช้ไม้สอยเนี่ยมากมายคเรียกราดสาดกระจายใครหยิบใครช่วยบางทีเดินเตะก็มีก็กได้มันเยอะเออต้องระวังให้ดีนะ เรามีสิทธิ์แค่ใช้สอยแล้วเก็บเมียรให้ดีท่า น, นเองเราไม่มีสิทธิ์เอายิ่งพวกครุพั น, รรพนประเภทครุพันประเภทครุพันประเภทเครื่องโลหะทั้งหลายทั้งปวงด้วยแล้วช้อนเล่มเดียวนี่ไม่ได้เลยช้อนคันเดียวนี่ไม่ได้เข็มเล่มเดียวนี่ไม่ได้เลยเป็นประเภทครุพันเ์ ให้ไปแล้วไม่เป็นอันให้ก็แสดงว่ายังมีโทษมีโทษมากขอใครเอากับใครใครไม่มีสิทธิ์ให้ไม่ได้ประสงค์นี่ก็ไม่มีสิทธิ์ให้ไม่มีสิทธิ์เนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่เราต้องคิดถ้าเราไม่คิดเราเป็นโทษ เราควรจะมาให้มันได้บุญขาวสะอาดเข้สู่หัวใจของเรากรรมเหล่านี้มันทับถมในใจของเราเราดูถ้าใครมีนิสัยอย่างนั้นเราดูดูออกเลยเราดูไปที่จใจของเรามันทับถมมันจะเศร้ามองไปหมดแหละแทนที่จะมได้รับความผ่องใสต้องระวังให้ดีและดูช่วยดูแลกันด้วยบางทีเราบอกไม่ได้ฟังกันดอกต้องช่วยสอนสอนดูแลกันด้วย ความอิสระหนึง่งความอิสระความอยู่สรดวกสบายทำให้คนเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวกับความเห็นแก่ได้มันจะมักยะไปด้วยกันนะความเอารักเอาเปรียบเนี่ยมันจะไปด้วยกันความถือเนื้อถือตัวมันจะไปด้วยกันปาด เป็นเครื่องเป็นเครื่องเป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องเป็นเครื่องปกป้องต้องระวังให้ดีเราไม่ไม่ปรารถนาให้พวกเราไปจงกับสิ่งที่ผิดระเบียบของสิลของธรรมนี่เราพูดเอาไว้พอเป็นข้ อ, อคิดสำหรับพวกเราเพราะพวกเราเกี่ยวข้องกับตรงนั้นมันเป็นโทษ อย่างอาหารนี้พระจัดให้จัดให้จัดให้จัดให้จัดให้ไปนี่ไม่เป็นโทษของควนี้คุณจัดให้จัดให้ได้แต่ให้ให้เป็นเหตุเป็นผลให้เหมาะสมคนที่ทำประโยชน์คือครูบาอาจารย์ท่านท่านให้ให้ให้กับคนที่ทำประโยชน์คนที่ไม่ทำประโยชน์ก็ยังรองลงไป คนที่ทำประโยชน์ให้วัดคนที่มาทำประโยชน์ยังยังรองลงไปมีสิทย์แต่มีสิทธ์รองลงไปเห <c oughs> <c oughs> มือนอย่างผลไม้ที่เราบอกนั่นละผไม้มันเกิดมันมีขึ้นในวัดเราต้องดูพระในวัดก่อน <c oughs> <c oughs> ต้องดูพระในวัดก่อน เนียของเราแห้งผ่าแล้วขนไปที่อื่นนี่ไม่ใช่แล้วคุทเทาเวราเขาตั้งความปรารถนาต้องการให้มีสวนสลับเอาผลไม้มาเข้าโรงครัวแต่บางทีเราก็ลืมแเห็นอันนั้นดีดอันนี้สวยนนั้นงามเห็นใครมาไปหยิบช่วยฟากันแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยต้องระวังให้ดีนะ ต้องระงให้ดีความถูกความผิดมันมีอยู่บางคนไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอืออยู่ๆผิดกฎหมายบ้านเมืองโดยที่ไม่รู้สึกตัวเพราะอะไรเพราะตก ต, ตัวเองไม่ได้คิดไม่ได้คิดไม่ได้ยานะบางคนอยู่ทํางานดีๆหละยฮาวกลายเป็นอันนั้นคิดระเบียบแล้วอันนี้คิดระเบียบแล้วนุ่นอยู่ๆดินไม่หลุดติดหกติ ด, ดตารางแล้ว ยิ่งธรรมะเนี่ยทางธรรมเนี่ยยิ่งละเอียดทียิบ ม, มากกว่านั้นไม่จะไปจะต้องมีใครมาตรวจสอบไม่ไม่จะไปต้องมีใครมาตรวจสอบอาศัยว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยล่วงละเมิดปั๊บได้เลยเรื่องเรื่องละเมิดปั๊บผิดเลยละเมิดปั๊บผิดเลยแม้แต่จะคลองมถทีก็ไม่รู้จักต้องรู้จัก ทางโลกที่เขาจับเขาฟ้องเขาเอาโทษเอาอะไรต่ออะไรกันนั่นยังมีคนอื่นตรวจสอบรู้เรื่องได้อะไรได้เห็นได้ยิ่งทางทำไม่มีใครตรวจสอบเนี่ยทําอะไรสบายเฉยทําอะไรได้สบายเฉยบางทีบางอย่างบางเรื่องขาดความเคารพหมู่กันเองขาดความยำเกรงหมู่กันเองนี่ต้องระวัง ความเคารพความยำเกรงเนี่ยเป็นเครื่องผูกพันสังคมของเราให้เป็นอยู่ได้ถ้าขาดความเคารพขาดความยำเกรงแล้วพวกเราคนเราเนี่ยมันไม่มีใครงึดใครง้อกันดอกแต่จะว่าไปแล้วนะถ้าหากขาดธรรมะแล้วเนี่ยคนนี่มันไม่ต่างอะไรกับสัตว์แหละถ้าขาดศีลขาดธรรมแล้วด้วยเหตุที่เรามีศีลเรามีธรรมเป็นเครื่องผูกเป็นน้ําเชื่อมน้ําประสาน ทำให้อยู่ด้วยกันอย่างเกาะติดอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นผ้าสุขแล้วก็ทําประโยชน์ด้วยการเกิดประโยชน์แต่ถ้าเอาตามใจใจแล้วเนี่ยอืมมันไม่มีใครงึดใครงอกันแหละถ้าจะเอาแต่ตามใจใจเพราะใจมันอิสระที่จะนึกที่จะคิดแต่มันเป็นเรื่องไม่ใช่สินไม่ใช่ธรรมเป็นเรื่องไม่ถูกไม่มีใครประสงค์ อะไรเป็นเรื่องที่ดีที่งามสามัคคีปรองดองเคารพยำเกรงเูงจาจะบอกกันเูจาจะฟังกันเูจาจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่เกิดประโยชน์เราใช้สิ่งวันนี้เป็นน้ำเชื่อมน้ำประสานอย่างั้นลูกกับพ่อกับแม่มันจะไปเถียงทะเลาะกับพ่อกับแม่ทำไม บางทีอาศัยความดื้อด้านความไม่รู้ภาษีภาษาก็สามารถล่วงเกินได้พ่อแม่ไม่มีอะไรครับมีแต่ให้อภัยให้อภัยให้อภัยให้อภัยจนกวา่าลูกจะได้เรียนได้รู้ได้ศึกษาได้เข้าใจควรจะเรียนรู้จักพ่อจากแม่นั่นแหละแน่พ่อแม่เลยปล่อยไม่ได้ต้องบอกไม่บอกไม่ได้ไม่บอ ก, ไ ม, ไ, ไ, มบอกไม่รู้ เรื่องเรื่เหล่านี้มันพันกันไปหมดแหละอะไรที่ไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมให้เราพยายามละพยายามเลิกอะไรที่มันขาดความเคารพนับถือการขาดความยั้งเกรงกันเนี่ยดูมาที่ใจของตัวเองแต่เรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องที่ฝืดเครืองมันไม่ใช่เรื่องที่เราหายากเพราะเราเป็นนักธรรมเป็นนักปฏิบัติ ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เอาอะไรมาเป็นนักปฏิบัติสัจธว่าอยู่เฉยๆกินอาหารทิ้งไปวันๆเท่านั้นเองไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่รู้จักไม่จะคิดจักพิจารณาอะไรนี่ยที่สำคัญที่สุดพฤติกรรมของตัวเองให้ให้สำรวมให้ระวังกิริยาที่แสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเพราะนี้แหละจะเป็นเหตุสะท้อนมาทําให้เราทุกข์ทำให้เราเดือดร้อน เจ้เราก็ไปโทษน้นโทษนี้โทษอะไรต่ออะไรใเปล่โทษโชคโทกชะตาราศรีโชคโทษอะไรต่ออะไ ร, รไม่รู้ในเมื่อเราไปโทษในสิ่งที่ไม่รู้จักเราก็ไม่รู้จะไปแก้ตรงไหนเราโทษสิ่งที่เราไม่รู้จักเราไม่รู้จะไปแก้ตรงไห น, นเราไม่เคยมาดูพฤติกรรมของตัวเราเอง ดูพฤติกรรมดูแวดล้อมกับตัวเราเนี่ยมีอะไรแวดล้อมเกี่ยวข้องอะไรยังไงถ้าเราสํารวจตรวจตราสิ่งแวดล้อมตัวเราสํารวจตรวจตราพฤติกรรมของเราเราจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกโทดมันมากับสิ่งที่ผิดคุณมันมากับสิ่งที่ถูก ทุกคนต้องได้ยินได้ฟังได้ประสบได้พ บ, ไ ด, พบได้เห็นได้ได้เจอคนดีก็เจอคนไม่ดีก็เจอแต่สำหรับผู้ปฏิบัติ น, นั้นมีแนวปฏิบัติมีข้อปฏิบัติสามารถตัดตอนมาให้มันลุกลามได้เนี่ยเมื่อกี้พูดถึงตัดตอนเอาอะไรมาตัดเอาสติทำเอาปัญญารำเนี่ยมาตัดอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันสติจเจริญเข้าไปสิสติ ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินไดฟังกษ็ิย์แต่ว่าไดฟังได้เห็นก็สักแต่ว่าได้เห็นไม่ให้มันซึมเข้าไปที่หัวใจไม่มันซึมเข้าไปเป็นสัญญาอารมณ์มาสําคัญมันไปตีเป็นสัญญาอารมณ์เนี่ยมันบอกไม่ได้ซสียด้วยนะถ้าไม่ฝึกบอกให้มันเข้าไปก็บอกไม่ได้ถ้าไม่ฝึกเนี่ยบอกไม่ได้รอก มันเข้าไปครุกคลีตีมองหมุนเตี้ยวเตี้ยวเตี้ย ว, วแต่กับเพัะกัะเมียก็ยังหมุนเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวเต้ ว, ต ว, น, ว น, น, นี่ยผูมัดกันเทียดเทียดกันแม้แต่กระทั่งพูดเล่นพูดหยอกหลวงตาทั้งกอกีิเลมันไม่ได้หยอกด้วยเล่นด้วยนะมันมีคำจิ้มๆิ้มกันอยู่ในนั้นมันถืออยู่นั้นแหละหนึ่งครั้ง ก็ถือไว้สองครั้งก็ถือไว้สามครั้งก็ถือไว้ไบางคนมีนิสัยไม่โตอตอบก็จะก็หลบห ล, ลีกลแล้วก็ห่างห่างแล้วก็หนีไปในที่สุดบางคนอดรนทนไม่ไหวมันก็ตอบโต้ประทะขึ้นมานทำความรู้จักกับปัจจุบันของมันคืออะไรเป็นอะไรมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเจริญสติ สติปัฏหานนี่แหละได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ทราบเรื่องราวให้มันหยุดให้มันหยุดแค่อารมณ์ปัจจุบันเนี่ยให้มันหยุดอยู่แค่นี้ปล่อยไปทิ้งไปไม่ตามมันไม่ปล่อยให้มันซึมเข้าไปในหัวใจถ้าปล่อยมันซึมไปแล้วมันพิคิ้งปรุงอะไรมางทีไม่มีเรื่องอะไรนะอะ บางที่เรื่องค า, า, าดคาดเดาเดาคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปในเรื่องค า, า, า, าดคาดเดาเดาเฉยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะกลายเป็นเรื่องจริงเป็นตุเป็นตัดขึ้นมาแล้วไ <c oughs> อ้ของที่มันหลอกมันคอยอยู่ข้างในมันคอยแต่จะหลอกเราเนี่ยเราไม่ทันมันก็ถูกหลอกเราไม่ทันมันก็ถูกหลอกสัญญาอารมณ์ที่มันพานึกพาคิดพาปรุงกิเลสข้างในนั่นแหะนั่นแหละมันคอยหลอก อันนี้มันนึกคิดเป็นสัญญาเก่าๆขึ้นมานึกคิดบ่อยครั้งเข้าอ้าของที่ไม่เคยมีของที่ไม่เคยเป็นมันวิดบาดบิดตกอย่างนั้นอย่างนี้กลายเป็นสัญญาอารมณ์เกากในหัวใจนี่ทุกก็ตามมาแล้วทีนี้ทุกก็ตามมาบ า, บางคนหาวิธีแล้วนับดับไม่เป็นคิดจนเป็นบ้าเป็นประสาทคิดจนเป็นบ้าเป็นประสาทตายบางคน ทั้งๆ ท, ที่เรื่องมันอยู่ข้างนอกนะดึงมาคิดอยู่ข้างในเนี่ยนีเรื่องเรื่องเหล่านี้พวกเราภาวนาเราน่าจะเอามาใช้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะ ก, การเจริญสติให้รู้อยู่กับปัจจุบันอันนี้สำคัญที่สุดการที่เรารู้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยมันทำให้อารมณ์อดีตมันไม่มาก้าวไกลลบลามใหญ่โตอารมณ์อารมณ์อนาคตที่ไปคัดค้าน ด, ดาวๆไว้ มันก็จะมัน ไ, ไม่ได้มาโปลมามันอยู่กับอารมณ์ดิบดีในปัจจุบันมีสติขึ้กับอยู่โทษเหล่านั้นเกิดไม่ได้โทษความดีใจโทษความเสียใจโทษความทุกข์ใจเกิดไม่ได้แล้วการหมดจดจอ่อแบบนี้เราได้สงบได้นะครับได้ดับทุกข์ในหัวใจของเราได้ไม่งั้นเราไปไปสุม่มไปเดาเนะี่ยมอหาสิ่งที่ที่เรามองไม่เห็นแหละไปโทษเทวบุตเทวนาโทษอะไรต่ออะไรไม่รู้ ดวงเดือนดวงดาวพยามงพยามาณโทษโทษยามโทษลายต่อลายสารพัดแต่พฤทิกรรมตัวเองไม่เคยมองทําอะไรบ้างถ้าเราทําแต่คุณงามความดีเราไม่ต้องทไม่จําเป็นจะต้องไปเดือดร้อนอไรไปนึกไปคิดไปปรุงไปหวาดนิดตกกับคนนั้นกับคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดแล้วคิดเล่าคิดไปคิดมาคิดซ้ำซากเข้ากลายเป็นตุก็นตะขึ้นมาเป็นไฟเผาเร่าร้อนแน่ บางทีเรื่องยังไม่เกิดเรื่องยังไม่ก่อแต่กลายเป็นว่าเรามาคิดมาก่อเองใชแล้วไปลงไม้ลงมือเองนี่เป็นโทษที่จะได้รับความอยู่เย็นเป็นสุขเป็นผาสุขมนุษย์ไม่ใช่อยู่เฉยเฉก็จะได้นะจะต้องทำเมาแม้แต่เกิดมาบนกองเงินกองทองไม่อดไม่อยากของอยู่ของกินของใช้ของสอย ของประดับของประดาตกแต่งอะไรทัหลายมันไม่อดไม่อยากแต่ว่าความนึกคิดภายในใจเนี่ยมันคิดไม่มีอะไรเป็นกรอบเป็นทุกข์เป็นโทษได้จริงเหล่านั้นบางทีมันพร้อมที่จะเอื้อมัืให้เราได้ประสบความสุขแต่ด้วยเหตุที่ใจของเราไม่มีกรอบไม่มีอะไรไปกากับไปดูแล เพราะฉะนั้นมีสติมีสัมผัสชันยักกำกับที่จิตดวงเดียวให้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันจึงตัดเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งหลายที่ผู้องได้เป็นอย่างดเาีเราลึกอะไรไมาได้เราเอาบทที่เราจำง่า ย, ายๆเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้แหละพุทโธแล้วก็เจาขก็มันพุทโธพุทโธพุทโธเจาะมาที่ผู้รู้เนี่ยลองจาะลองดูซิ ใมันอยู่ในลมปัจจุบันนั่นแหละโทรจอร่อตัดข้างนอกตัดออกได้หมดความลุกลามใหญ่โตอะไรไม่มีเราตัดออกหมดแกมันชวนนึกชวนคิดชวนพรุงไปก็รู้ทันก็รีบดึงกลับอย่าไปเสียดายมันอย่าไปอะไรอาวรมันกับอารมณ์ที่มันพานึกผ่ า, าคิดผ่พาพรุงแต่มันเยื่อใหยมันมีนะ ใหญ่ใหญ่อะไรฮาวรติดค้างในอารมมันมีอยู่ดูใครดูก็เห็นอยู่ทุกคนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไปจํามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องมีต้องเป็นเพราะฉะนั้นหลักคําสอนของผู้ยิ่ง่าที่เอาสติซึ่งเป็นหลักธรรมชาติมากํากับจิตจิตก็เป็นหลักธรรมชาติเป็นการปลุกจิตของตัวเองให้ตื่นรู้อยู่ตลอดอันนี้จึงไม่สําคัญว่าเป็น ชาติชั้นวันนะศาสนาใดๆเป็นธรรมชาติของมนุษย์คนชาติไหนภาษาไหนถือศาสนาไหนก็ตามแต่ธรรมชาติมนุษย์เป็นอย่างนี้พุทธเจ้าท่านวิจารณวิจัยออกมาแล้วตรัสรู้ออกมาแล้ ว, ออมลวไม่ไม่ได้บัญญัติมาแบบผิดผิดถูกถูกนี่แหละตัวนี้แหละเป็นตัวที่ก่อให้เกิดทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยตัวคิดตัวปรุงให้วุ่นวายอยู่ในหัวใจนี่แหละตัวนี้แหละ ตัวนึกตัวคิดตัวปรุงมันไม่ใช่อะไรอื่นที่ไหนมันไม่มีพระที่พระจานทร์ที่ไหนมาทําโทษให้กับเรามีใจของเรานี่แหละมันนึกมันคิดมันพรุงก่อกวรตัวเองตลอดไม่จบนี่แหละเป็นงานอัตยิอัตโนนาโถอย่างอื่นเราก็ช่วยกันได้ะเจอกันอยู่เจอกันกินเจอกันใช้กันซ้อนเจอกอะไรต่ออะไรไปบ้างครับ แต่ว่าอารมณ์ข้างในใครจะมาจัดการให้เราเราจัดการเราเองจัดการด้วยวิธีใดขึ้นอยู่กับที่เราเรียนรู้มาบางคนไม่เคยสนใจเรื่องภาวนาไม่รู้จักเอาอะไรมากำกับเอาอะไรมาทำอะไรคือจิตอะไรคือใจอะไรคือสติคือปัญญาไม่รู้เรื่องสิ่งที่เราเรียนรู้มาเอามาใช้เกิดประโยชน์ หลักคําสอนย้อนโดยเฉพาะย้อนมาอยู่มาอยู่กับผู้รู้ของเราเนี่ยพยายามทําความรู้จักอยู่กับของจริงอยู่เนี่ยย้อนมาที่ดูที่ใจของเราจับอะไรมาได้กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธจอพุโทพโธจ่ออยู่กับ น, นี้แหละตัดความทุกข์ออกได้หมดเลยอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นน่ะสงบระงับหมดมันเป็นการตัดอารมณ์ ตามอำนาจของตัณหามันพาปรุงพาแต่งมากวนใจเขาในเมื่อเราสงบระงับได้ตัณหามันก็ระงับได้อารมณ์มันก็ระงับได้เรื่องราวมันก็ระงับได้ใจก็อยู่เย็นเป็นสุขใจมันไม่ถูกกวนมันไม่ขุนมันไม่มัวใครรักษาแค่นี้ได้คนนั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขมีอยู่มีกินมีใช้มีสอยมีบ้างขาดบ้างอะไรบ้างผิด บ้างได้มาบ้างเสียไปบ้างเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เรื่องแปลกบางคนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเงินเข้าบริษัทห้างร้านเดือนละยี่สิบล้านสามสิบล้านได้ไ ป, ไปมาๆก็สมัคล่มได้ล่มละลายได้แน่ถ้ายมันเป็นอย่างนั้นถึงคราวได้มันก็ได้ถึงคราวเสียมันก็เสียมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลก เต็มสัมพันธ์เรารับอารมณ์มแล้วมาปั่นก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองอันนี้สัมพันธ์ที่สุดจะให้ใครจัดการให้เราต้องจัดการให้กับเราเองนี่จําเป็นว่าเราจะต้องฝึกจะต้องศึกษาจะต้องปฏิบัติจะต้องภาวนางานเดียวเท่านั้นงานภาวนานี่แหละงานที่รู้เรื่องกับอารมณ์งานอื่นไม่รู้เรื่องแค่ไม่รู้เรื่องงานอื่นมีแต่งานใช้อารมณ์่ะ งานกรรมฐานนนั้เป็นงานคุมอารมณ์ตัวเองสามารถคบคุมอารมณ์ตัวเองได้สติโปชัดเจนขึ้นมาตัดอารมณ์อย่างอื่นได้หมดจนคุณสมบัติของใจที่เลิศที่สุดสติธรรมสมชันยะธรรมระลึกอยู่รู้ตัวระลึกอยู่ตื่นรู้รู้ตัวพร้อมอยู่เฉพาะหน้าตัด อารมณ์ให้มันลุกลามเข้าไปในใจของเราแล้วก็เป็นสุขไม่ต้องไปซีตรงเสีดายมันแหละแต่อย่าลืมว่าอารมณ์มันอ้อยอิงน ะ, ะมันมีรสมีชาของมันนะมันอาลัยพระอาหารหันต์ท่านใช้คาว่าอนาลโยอนาลโยความไม่อาลัยตัดความอาลัยท่านตัดได้แล้วท่านเป็นสุขแต่เราตัดไม่ได้ ตัดอะไรตัดอารมณ์ที่มันเยื่อยใหญ่ในใจลองดูสิอารมณ์ที่มันเยื่อใหญ่อยู่ในใจหรือมันมันชวนคิดชวนปรุงชวนนึกมันปล่อยไม่ได้มันพังไม่ได้เน่ะอารมณ์นั้นแหละใช้ปัญญาดูพิจารณาให้ให้เห็นให้ทีให้ละเอียดเข้ามันก็จะหายไปเลยมันก็จะละลายไปเลยมันไม่อะไรไม่งั้นมันอ่อยอิ่งมันอะไรเหมือนกราของเซ็บเสเนี่ยนีอันนี้เคยเส็บนะ โอ้มันผ่านไปถึงนู้นแล้วลนะ่ะลืมเอาไว้ตาแล้วนอนไม่หลับเจ็ดวันนะั่นน่ะนี่ไม่พูดเล่นนะเคยเจอมาแล้วพ ร, พระพระผุดเทาพระผุดเทาเฮโอ้ลอยไปแล้วมลุดมือไปแล้วุดมเมาโอ้นอนไม่หลับเจ็ดวันแหมเสียใจ นั้นสิ่งที่เข้าไปตัดสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ใช้อารมณ์ในปัจจุบันอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยภาวนาปลุกจิตของตัวเองตื่นขึ้นมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธตั้งอกตั้งใจนิ่งขมันแทรกเข้ามาไม่ได้มันก็จะเริ่มสุขเริ่มมีความสุขความสุขเกิดขึ้นจากความสงบ ความสงบเกิดขึ้นจากการที่เราตั้งสัมรวมสังวรระวังทิ้งตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็เอาตัวไม่รอดแล้วทุกเน่าเฟะทุกบนกองกองทอนนั่นแหละแต่ถ้าทำได้มีความสุขท่ามกลางความทุกข์ความยากความลำบากนะมีความสุขเพราะเร า, เราทำได้เราทำถูกเราตัดอารมณ์ที่มันวุ่นวายออกได้ มีอยู่มีกินมีใช้มีซ้อนอดอยากมีมาได้มาเสียไปเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเป็นเรื่องธรรมดาของโลกแต่พระเจ้าท่านให้ความสําคัญว่าสิ่งที่ได้มานั้นน่ะควรให้เป็นสิ่งที่ดีที่งามที่ถูกที่ชอบมันไม่ต้องมีโทษตามมาเล่นงานท่านจึงให้เสวงหาในทิ้งในสิ่งที่ที่ชอบที่ดีที่งามที่ชอบ ถ้าสแสวงมาเนี่ยสสแสวงหามาในทางที่ไม่ดีในทางที่ผิดเดี๋ยวโทษก็ตามมามีของมากมายเยอะเต็มข้างหน้ า, า, าข้างหลังรอบข้างตัวเต็มไปหมดมีแต่ของที่ได้มาในทางที่ไม่ค่อยจะชอบทุกข์มาตามมาเล่นงานทุกมตามมาเล่นงานได้มากได้น้อยได้อะไรอะได้มาในทางที่ดีที่งามที่ไม่มีโทษสิ่งไรที่ได้มาโดยสิ่งที่ไม่มีโทษอะนั่น่แหละ ถ้าใยินดีถ้าให้คอยใจกับสิ่งเหล่านั้นมันไม่เป็นโทษสันโดดสันโดษขณะขณะสันโดดอย่างนั้นยินดีในสิ่งที่ไม่เป็นโทษสิ่งที่เป็นโทษก อ, องเท่าภูเขาสู้สิ่งที่ไม่เป็นโทษแม้ประมาณนิดหน่อยแค่พอใช้พอสอยไม่ได้ั น, นี่ให้ความสุขอันนั้นเดี๋ยวก็มาทับท่วมาโทษมาทับท่วมตายทุกตายมนุษย์ก็เป็นอยู่อย่างนี้เลย ต้อได้ยินได้ฟังต้องได้สอบได้ต้องได้ทําตัวต้องได้แสวงหาความดีทุกคนต้องการความสุขความเจริญต้องดิ้นรนต้องสาะต้องแสวงหาแสวงหาทั้งความรู้ทั้งอุตสาหพยายามทั้งขยันหมั่นเพียรทั้งอดทั้งทนทั้งมีธรรมะทั้งเจริญธรรมะให้ธรรมะมันเจริญว่าเงินหัวใจทั้งเจริญสติทั้งเจริญปัญญาให้เพิ่มพูนทวีคูณ ความรู้ความสามารถทำให้เพิ่มภูนให้ทวีคูณจึงจะมีชีวิตยอยู่เย็นเป็นสุขอยู่รอดได้พร้อน